นี่ก็เป็นวันที่สามไอ้เสียงมันก็ไม่อยากจะพูดกับใครเแี่ยก็ต้องพูดไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่อยากจะพูดกับเสียงมันไม่ออกในกล้าไม่ทํามันนี้ก็เป็นธรรมานุปสนามาเป็สถานสูตรธรรมานุปสนานี่มีหลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิงย่งวันนี้เป็นข้อของนิวนรณ์ห้าประการไว้ต้อนทีิบายที่วนนิวรณ์ในเขานเราเนามั้ยนิวนรณ์ห้าประการนี้ก็แนะนำให้พิจารณานิวรณ์ห้าคือหนึ่งกามาฉันทะสองความโกรธสามิตฟุ้งซานอะความหลังกง่วงสี่ิตฟุ้งซ้านห้า สงสัยถ้าให้ใครคนรู้อยู่ว่ามันมีในเราหรือเปล่าการมาฉันทะมีไหมมีหรือไม่มีความโกรธความยาบาทมีหรือไม่มีความโม่งมีหรือไม่มีขณะดนี้นะเฉพาะขณะนั้นความพุ่งไส้ของจิตมีหรือไม่มีการสงสัยมีหรือไม่มีนั่นลยแจกว่ามีในเราไม่ในเขา ทั้งนี้ของดคำว่าในเราในเขาเมื่อฟังยากเอาผลการปฏิบัติเฉพาะในเราเพราะในเรานี่มีความสาคัญคนอื่นก็เป็นท่าย น, นีลบ่อนเขาตกนรกเราไม่ตกด้วยตกเขาไหมไหแต่ว่าถ้าไปยุ่งกับเขาเราตกด้วยนะฟังตุ้งเกิดตอนนี้เอาแค่ในเราก่อน ต่าพิจารณาตัวเองว่าการมาฉันทะเดี๋ยวก่อนพูดนิวอณนก่อนนะไอ้คอมันไม่ดีมันเกิดเลย <c oughs> คำว่านิวรณ์เาได้โปดทราบว่าตามหลักวิชานักธรรมโ ท, ทแปลว่าคุณนแปลว่าคุณนัชาต์กั้นความดีแต่ว่าในพระไตริดกท่านบอกว่าเป็นอิเลสอยากที่ทิธรรมปัญญาให้ถอยหลัง ต้องควาาและต้องถือของพระไตรปิฎกถูกาเป็นเป็นบาลีเพราะบาลีนี้เป็นคำของพระเจ้าโดยตรงนีวพณั้ห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีจรรมดาแต่พระเดชิสัชเป็นเวลาใดก็ตามเวลานั้นอรมณ์จิต ท, ที่เป็นสมาธิไม่มีทั้งนี้เราพูดกันเฉพาะสัมมาสมาธินะ คำว่าสัมมาสมาธิจะตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้เฉพาะด้านทําความดีเช่นตั้งใจจะให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจจื่มภาวนาตั้งใจจะทรงเมตตาความรักกรนนาความสงสารเมื่อตามีความอ่อนโยนนิจฉานศยานเขาอุเบกขาวบางเฉย ตั้งใจในดีลานี้แลว้วก็ตั้งใจจะมีความกตัญญูรู้คุณอย่างนี้ถือาการตั้งใจนะเพราะว่าก็ตั้งใจไว้ในความดีเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินิสัมมาสมาธิธนะแต่ว่าเป็นมิจฉาสมาธิการตั้งใจไม่ผิดชื่อตั้งใจัแก้งเขา น, น, นี่เป็นทราอิเขาเนี่ยเปต้นแต่ว่าเป็นวิฉาสมาธินี่นิวรณ์คุมได้เพราะว่านิวรณ์เต็มตัวพอเดินสายนิวรณ์แต่การเดินสายนิวรณ์นี่หมายจะอบายภูมิแน่นอนถ้ามาเรามาว่าถึงว่าสัมมาสมาธิหรือว่าที่เรียกว่าเราจะกั้นนิวรณ์ห้าไกสัมมาสมาธิ เวลานินวนรณ์ธาตุการมีในเราหรือเปล่าถ้าตนิวรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมีในเราเวลานั้นจิตใจกบรรฏ า, าแต่พุทธบริษัทไม่มีสมาธิพราะสมาธิจะตั้งไว้เป็นอารมณ์ได้ความดีอันดับแรกเป็นสมาธิที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่การนิสองจะทรงจิตไม่ยุ่งคือไม่เป็นธายตุนิวรณ์ การในสามจะใช้ปัญญาทําลายกเกเรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสมาธิมีความสาคัญมากสมาธิต้องไม่เป็นท่าคอนิวร์ท่าจิตเป็นท่าคอนิวร์ตัวใดตัวหนึง่งเวลานั้นจิตของท่านไม่มีสมาธิแม้จะนั่งนานแสนนานก็ไม่มีประโยชน์เรา ม, มาว่าแก่นไฟกันบอกว่าจิตมีการมาชันทะไม่คอนิวร์ตัวที่หนึ ต, ตัวที่สองมีความโกรธมีความเยาะบัดไหมตัวที่สามมีความง่วงไหมตัวที่สี่จิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าตัวที่ห้าสงสัยหรือเปล่าทั้งหมดมนี้ถึงนรนอเวลาที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทเจริญสมาธิเวลาอื่นมันต้องมีนะ เราไมั น, นถ้าพอใจในกรรมมารมนึกกรรมมคุณมันต้องมีเพราะเราไม่ใช่พระอนาคามีความโกรธของคนทุกคนยังต้องมีเพราะเราจะไม่ใช่อนาคามีคือความง่วงยังต้องมีเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์ในความบุ้งสร้างของจิตยังต้องมีเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์นี่ต้องแก้เลยหัน แล้วก็ความสงสัยต้องมีเพวกเรายังไม่ใช่อาหารหันต์วงความว่าการทําลายนิวรณ์จริงๆสองข้อต้นยต้องทาลายด้วยความเป็นตัวอน า, านมัยีิ่งสามข้อต้องทาลายด้วยความเป็นอรหันต์ในเมื่อเรายังไม่เป็นทั้งสองขั้นเราก็ต้องยอมนิวรณ์กวนใจเฉพาะเวลาทุงมันเราก็ตั้งเวลาของเราขึ้นไว้ ว่าจากเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้จะใช้เวลาให้มากจากหนึ่งนาทีถึงสิบนาทีว่าจากหนึ่งนาทีถึงห้านาทีจากหนึ่งนาทีถึงสามนาทีก็ตามใจในช่วงระหว่างนี้เราจะไม่ยอมให้นิวรณ์ห้ามการโกลนใจความรักก็หวังเพ่ก็ดีความโกดก็ดีความง่วงก็ดี อารมพุ่งสัน้นนอกเหนือภาวนาก็ตามความสงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจะต้องไม่มีในเราในเวลานี้ <c oughs> ตั้งเวลาไว้ใหม่ๆก็จะตั้งไว้เฉพาะเวลาที่สง่เวลาไหนที่เราห่างจากคนอยู่คนเดียวตั้งเวลานั้นเพราะยังไหมอยู่ ถ้าไม่ใหม่ไปตั้งคันต่อหน้าคนไปทีก็พังมันจะเพิ่มมากขึก้นด้ความโกรธต้องใช้เวลาสงัดไม่จำเป็นต้องอยู่ดิเวลาไหนเราอยู่คนเดียวตั้งไม่เฉพาะเวลานั้นว่าเวลานี้ที่วันห้าต้องไม่มีอนไเราความรักระหว่างเพศเราปลดทิ้งไปชั่วคราวสองสามนาทีความโกรธเรก็ปลดทิ้งไป ความง่วงตรวจทิ้งไปความุึง้างตกวจทิ้งไปความสงสัยตรวจทิ้งไปรักษาเฉพาะอารมณ์ที่ทรงสติสัพพัญญาการทรงสติสัพพัญญาทรงแบบไหนก็ต้องทรงที่อนาพานุสติคือลมห้ใจเข้าออกเอาจิตขเข้าไปรับรู้ลให้ใจเข้าลให้ใจออกถ้าอยากภาวนาด้วยก็ได้ไม่ห้ามนะ <c oughs> เวาว่ยังไงก็ได้ไม่ห่างเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบเวลานี้ให้ใจออกถ้าไม่ใหม่อเอาแค่นีนะรู้เข้ารู้ออกต่อไปถ้าความจานานเกิดขึ้นก็พิพจจำนานนึกตามว่าเวลาแม่ใจเข้ายาวรือสั้นออกยาวหสั้นเารู้ต่อไป ถ้ามีความชำนาญยิ่งขึ้นก็าาจิตก็ไปรับทราบลงมใจตั้งแต่เข้าจากจมูกนั่นจะไหลเรื่อยผ่านหน้าอกถึงศูนย์เหนือสะดีขาเข้าก็ออกกระทบศูนย์เหนือสะดีเรื่อยมาฉันหนอกถึงจมูกแล้ปากเรื่อยไปปากอย่นี้ตามรับทราบถ้ารับทราบขณะนี้ได้แสดงว่าท่า น, นผู้ทรงฌานเบื้องตน้ตนต้องสังเกตตามนี้นะ ถ้ารู้ลมหายใจเข้าหว้ใจออกแบบสั้นๆแบบได้แบบง่ายๆให้เข้าก็รู้ออกก็รู้อย่างนี้จัดเป็นขทคนิคสมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้าลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยอย่างนี้เหมือนข้กกนอุปจารสมาธิเฉียดชานใกล้ชานแต่ว่ามหาตุตานาสุธรรมไมสอนชานนะแต่พวกเราก็ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ควรจะทราบ ถ้ารู้รหลวงม่ใจถ้ายออกจั้งจากตาจะหมูกเลื่อยกระไรจากหน้าอกถึงท้องลมออกจากท้องผ่านเรื่อยจะมาถึงจมูกอย่างนี้เวลานั้นเป็นฌานถ้าจะสังเกตเรื่องฌานเบื้องต้นให้ช้านสูงขึ้นเวลาภาวนาให้โวกคู่คํำอา่านร้ายใจก็ออกคคกคู่กับคำภาวนาด้วย ถ้าภาวนาไปด้วยภาวนาง่ายๆนะย่ยากอย่างพุโทโธเป็นต้นพุทธไมใจเข้าโยใจออกก็ดีเวลาภาวนาไปด้วยลมหายใจด้วยถ่ายลมหายใจยาวเข้ายาวสะออกยาวไหนว่ารู้ลมหายใจจัดจมูกเรื่อยไปจนถึง อ, อกถึงท้องจากทองออกมาถึงจมูกลมออกเวลานั้นยังมีคำภาวนาอยู่ หรือว่าเวลานั้นท่านเข้าถึงพระโมไชาในฌานที่หนึ่งต่ อ, อไปจะรู้สึกปารมณ์ไม่ใจละเอียดลงเบาลงจิตชุ่มชื่นมากขึ้นอารมณใจรู้เบาเบารู้จริงๆชัดแต่ว่เบาวกว่าแล้วคำภาวนาไม่มีหายไปอย่างนี้ถึงว่าจิตตั้งเข้าสมาธิตั้งเข้าถึงตั้งในฌานที่สองไปต้นไป ตั้งใจชานที่สงองท่านไปจะตัดขมวนนาเองแต่เราต้องดูว่าเวลานั่นจิตมีความชุ่มชื่นดีไหมเมื่อจิตมีความชุ่มชื่นดีไม่ภาวนาเราไม่ใจเบากว่าเก่านิดหน่อยอย่างนี้เป็นชานที่สองต่อไปความชุ่มชื่นปราบร่มค่อยๆหายไปยเรียก้ความสุขสุขเยือกย็นมีความสุขติดตัวดีไม่เคยสุขมา ก, ก่อนมาสุขมาก อธิบายไม่ถูกลมไม่ใจเบากว่าเดิมและร่างกายที่นั่งธรรมดาหรือนอนธรรมดารู้สึกเครียดค้ายๆบังคับไปตึงๆมันไขมัดมันไม่ขยับตัวโอินเสียงภายนอกเบาลงอย่างนี้เป็นอาการข้นชาวดีสาม อนนี้เข้าชั้นชาญที่สี่ชั้นที่สี่แบบมันสองชั้นอยากละเอียดแต่ความจิงชั้นหนึ่งสองสามมันมีสามชั้นก็ไม่ได้อธิบายไปกูเดือดเสือชันที่สี่นี้คนจะรู้ชา้นที่สี่ในการรงชาญปกติไม่ใช่ใช้งานต้อนจัดเป็นสองอย่างอย่างอยากละเอียดถ้าชาญที่สี่อย่างอยากเราภานาไปก็ตาม ต่อมาภาวนาหายตั้งแต่ชันในสองภาวนาไม่มีหยุดเองไนงะต่อไปปรากฏลมให้ใจไม่ปรากฏก็รู้สึกแต่หูยินเสียงยังค้างไหเสียงดังใกล้ใกล้ยินเสียงไว่เวอาไว้ก็ไปไหนเสียงแนละ้วเสียงคนมันเองไงอย่างนี้เป็นชานที่สี่หยาบถ้าชัที่สี่ละเอียดรลมให้ใจก็ไม่รู้ เสียงขยายเสียง ด, งดังขนาดหนักตั้งใก้ใกล้เขมาได้ยินจิตมีความดิ่งแลว้วยิงางานการสงบอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นชา 4. นีสีเรื่องความว่าเป็นชาญในการสรงตัวแต่ชาญนี้ก็ใช้สองอย่างทงตัวบ้างใช้งานบ้างนี่มาเลยเขาถึงตอนนี้แหละมีใบทราบในการย้อนสังไวยหามาแล้วที่อามาสิการษษษษษใหม่ เมืพูรื่ชาในเรื่องกรรมฐ า, านสีสิแต่ว่าเข้ามาก็ต้องบอกให้ทราบว่าไม่ไปต่างกันเพราะว่ากรรมฐาน4ีสอนทุกอย่างสุขภัิรสโกติวิโชนทรวิโยปิชนุทัปโตทั้งสี่อย่างแต่มหาเทวทานสูตรได้สอนเฉพาะสุขภัทรสโกทีงทําลับลับไปหน่อยเป็นหารมหาเทนิวอนห้ารายการ ตอน้าบริการนัานถามว่าจะตัดการมฉันท้าด้วยอะไรตัดความโกรธ ด, ด้วยอะไรกามาชันท้าความกําหนัินดีในเพศความโกรธความไม่ชอบใจตัดด้วอะไรความโ่วงตัดด้วยอะไรในความโม้สร้างตัดด้วยอะไรความสงสัยตัดด้วยอะไรแต่ได้อย่างมีวิธีตัดไม่เหมือนกันแต่ว่าตัดระดับของจิตเข้าไม่ถึง ยี่งตัดยิ่งกลุ้มมีไหมตัดมากกลุ้มมากตัดน้อยกลุ้มน้อยไม่ตัดเลยไม่กลุ่มเพราะอารมณ์ไม่ถึงในตอนต้นถ้าบอกไม่ต้องใช้อารมณ์ตัดยังไม่ใช้คำาตัดใช้ ค, ไขไขไขคําว่าค่อยๆคุณพิจารณากว้างๆอันดับแรกกอดเจริญสมาธิให่ใช้อารมณ์ไรลักษณ์ญาณก่อน เห็นว่าร่างกายของเราก็เป็นนิจจังมันไม่เที่ยงร่างกายคนอื่นก็เป็นนิจจังไม่เที่ยงวัตถุธาตุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เป็น น, นิจจังเหมือนกันคําว่านิจจังไม่มีการทรงตัวจากเด็กเป็นหนุ่มนสาวจากหนุ่มสาวเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนมาแก่แก่แล้วก็ตายไม่ทรงตัวเป็นนิจจัง ร่างกายดีๆอาจจะป่วยไข้ไม่สบายก็ได้ไม่เป็นอันตรจังร่างกายอยู่ดีๆวิยงหิวขึ้นมาก็เป็นนจังมืนไม่เที่ยงพอหิวหรือแก่หรือปวดมันเรื่องเข้าถึงทุกในเมื่อมันไม่เที่ยงก็เป็นก็เป็นความทุกข์ที่เราต้องการมันเที่ยงมันไม่เที่ยงตามใจเราชอบมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดอย่างนี้กี่ชาติเรื่องพบกับความไม่เที่ยงพบกับความเป็นทุกข์ แค่ทุกพอทนได้แตที่สุดอนุ ต, ตาพังมันตายไปเราใกล้คณร่างกายของเราร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นเหมือนกันมีภาพอย่างนี้เพราะจิตถลงลดเล็กลดเดลดเด็กน้อยตอนนั้นก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมฐานเอาคำว่าอนาปานุสติกธรรมฐานอื่นลมหายใจเขาออกหายใจเข้ า, ออ จ, ข า, าจิตเข้าไปรับทราบ หายใจออกเอาจิตกำรับทราบรู้เข้ารู้ออกอย่างหยาบนะเป็นคันิกาสมาธิด้วต่อไปถ้าจิตเริ่มเป็นสุขไม่ีลมชุ่มชื่นก็ใช้กำลังยาวกว่า น, นั้นได้ให้ใจให้ใจเข้าใจออกยาวไว่สั้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิ <c oughs> ถ้ารู้ตรง ใ, ใจตั้งใจจะโหมเรื่อยลงไปถึงท้อง ใ, ใจออกแต่นะท้องเรื่ยมาที้หนึ่งจมกูกอย่างนี้เป็นประสมนิชัยเมื่จิตเข้าไปจับอนาภารร ต, ติเวลานั้นจิตจะตับรอรมณนิวรณนไม่ต้องใช้วิธีตัดอย่างอื่นมันตัดเชื้อห้ามเฉยๆค้ำไม่เฉยไม่จะฆ่านิวรณ์ขณะใดจิตสู้รลม่ใจเขาออกนิวรณ์ห้าประการกวนใจไม่ได้ ถ้านิวรณ์ระการความรักก็ดีความโกรธก็ดีไม่มีเ็ต้นอย่างนั้นถือว่าเวลานั้นจิตของท่านมีสมาธิถ้านิวรณนทั้ง5้าประการไม่กวนใจสักอย่างอย่างใดก็ไม่มีคือความรักระหว่างเพศก็ไม่มีเวลานั้นความโกรธไม่ชอบใจใครก็ไม่มีความห่วงก็ไม่ห่วงจิกตก็ไม่พุ่งสั้นรูน้ลมเข้าลมออกแต่แบบสบายสบาย ไม่สงสัยผลการปฏิบัติจิตมีความสุขเวลานังสือของท่านมีเข้าถึงปฐมฌานเป็นฌานที่หนึ่งเลยวอยกับฌานที่หนึ่งมันมันเป็นศัตรูกันฌานที่หนึ่งก็มีองค์ห้ามีวอยตัวศัตรูก็มีองค์ห้ามีวอยศัตรูได้ของสมาธิฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าก็คือมีมีตกวิจารปีติสุขเอลสตาไม่ขออธิบายเนี่ยเป็นฌา ความว่าการนะงับปีวนนันต้นใช้อนาปานุสติก่อนถ้าจงอย่าตั้งเวลาให้นานเกินไปการตั้งเวลา น, านานเกินไปนี่เป็นโทษเพราะเขาความตุ่มความจริงไม่ตั้งเวลาเลยดีกว่าทรงได้เท่าไรพอใจเท่านั้นถ้าจิดเริ่มพุ่งซ่านอารมณ์เริ่มไม่เป็นสศพคมไม่ไหวเรื่องเสื่อมเสื่อมจะฝืนถ้าขืนฝืนจะเป็ น, น, นโรคสะมัสดสาด ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องมาพูดกันนี้นิวร่ตีเพื่อนิวรนไม่เข้ามาโลนใจถ้าจิตทรงอารมณ์สมาธิได้ดีขอสมควรจิตเป็นสุขก็ต้องยอดในหากายาทุกศาสนาอี่วาุานกับธาตุสี่ทั้งสองสามกองเนี่ยทิ้งไม่ได้คืออนนาปานุติ การยนามาสนาและก็ธาตุสี่ที่ขึ้ไม่ได้นะทั้งสามอย่างเนี้เป็นตัวบรรลุมรรคผลอ น, นาปานุสติเป็นตัวส่งกําลังของจิตให้มีสมาธิสมาธิจริงๆจะมีกําลังก็ไมได้เพราะอ น, นาปานุสติถ้าขาดอนาปานุสติจิตจะสง่งสมาธิมีกําลังไม่ได้ อันนี้ม่อจิตมีสมาธิวร้มีกําลังดีก็ไปไข่ส่วนกายานุกัชนนาท่าสี่ทาสี่ขอร่างกายคือท่าเธอท่าน้ำท่าดินท่าตรงท่าไฟร่างกายมีทาสี่ของแข็งเป็นทา่าดินเป็นหนังเล็บเนื้อเอ็นเส้นเอ็นกระดูกกระดูกเป็นต้นแต่นี้เป็นทา่าดินของเหลวมีน้ำลายน้ำมูกน้าเลือดน้ำห น, ำนองเป็นต้น เป็นธาตุน้ําการพับถ่านไปมาเป็นธาตุลมที่ลมไายใจถึงต้นความร้อนเป็นธาตุไฟทั้งสี่อย่างเมื่อรวมกันเข้าก็เป็นกายกายของเราทั้งหมดมีอาการสามทุพสองไม่ต้องไล่เบี้ยไล่เบียที่จะเป็นหนักใจว่าอย่างนั้นแหงื่อไม่มีจงนี่ขาดไปเป็นจิตฟุงซ่านสรุปอย่างเดียวว่ากายเฉย เหตุว่ากายที่ประกอบไปท่าสี่นี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่ากายประกอบดไปท่าสี่เป็นสมถะภาวนาถ้ามีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขหรือมันทุกข์อันนี้เป็นนิปัสนนาภาวน า, ภาอันเท่าขั้กันเราจะใช้ปัญญาเล็กน้ยเห็นว่าร่างกายนี่ไม่มีความสุขเพรอะไรเพราะความไม่ทรงตังวของร่างกายแก่ทุกวันไอ้แก่นี่คือความทุกข์ นำทุกข์มาให้ถ้ายังแก่ไม่มากก็มีความป่วยแค่ไม่สบายตัวป่วยไข้ไม่สบายนั้นปเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้เหมือกันในเมื่อไม่ป่วยแค่ไม่สบายความหิวความกระหายเกิดขึ้นความหิวความกระหายเมื่อไปตัวทุกข์การต้องทำมาหาจินการหาทำมาหาจินต้องใช้แรงงานใช้รองปัญญากำลังทรัพย์ ตงเห็ดเหนื่อยมันเปนาารียบกงความทุกขต่อไปก็ความตายจะเข้ามาถึงก็เปรียบกันวความทุกขครืองความร่างกายเราไม่มีอะไรสุขเป็นตัวทุกตัวเดียวทุกแั่นมันมีทุกวันแต่ถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาก็มองไม่เห็นทุกข์ในเมื่อเหาธาตุสีที่ประกอบเป็นเข้าวก็ดินน้าไปลง เม แ, แบลงเปนการถานวิสัยสอบไม่มีการทรงตัวคำว่าไม่มีการทรงตัวนี่เป็นวิปัสสนาญาณที่นนิจจ์แด้ก็เป็นทุกทุกเนื้เป็นทุกเนใ น, ในในใจรักด้วยทุกนเนื้อสัตว์ด้วยให้เมื่อร่างกายเป็นทุกตัวทุ ก, ต, ทกตัวเดียวใช้ได้เลยนะตามที่เราฝึกกรรถฐานกันว่าเห็นทุกตัวเดียวเป็นพระหลังแน่นอนเห็นชัดชัด แค่เมื่เห็นว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์เราหิวเป็นทุกข์เราป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์เราทำงานเหน็ดเหนื่อยก็ทุกข์เราพัดพาดในของรักของเจ้าใจก็ทุกข์ศาสนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายยังไม่มาแต่คิดถึงความตายมีความหวั่นในความตายใจก็ทุกข์ อ่บบนบอกห้มองตัวเราเราทุกข์หรือเราสุขให้วิจารณาตัวเราเองในเมื่อเราทุกอย่างนี้คนอื่นเขาสุขเราทุกข์เขเป็นสภาพคนเราถ้านก็มองเห็นว่าคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันตรงความมองดูตั้งตัวเราและเขาต่างคนต่า ง, า ง, างมีความทุกข์ในเมื่อมีความทุกข์อย่างนี้เราต้องการอะไรมาอีกกับร่างกายท่านแนะนําต่อไปครับ สึงที่เราไม่ต้องการร่างกายทางกนรหนีได้คือที่งงวนันนี้ร่างกายก็การฆ่าตัวไม่ใช่วิสัยของนักบุญอ่าอันนี้ไได้เป็ใครล้อกอะไรอ่าเรีกว่าการหนีทุกข์ในการฆ่าตัวเองไม่ใช่วิสัยของนักบุญเพราะนั้นการหนีทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย ถ้าไม่ใช่การหนีเข้าป่า <Okay. S 1> เข้าป่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ <Okay. S 1> เข้าป่าเฉยๆมันจึงมีการยกเลยเข้าไปหาทุกข์การหนีทุกต้อระงับทุกข์ที่กําลังใจของเราเองการยิงร่างกายมันไม่ได้ทุกข์ด้วยมันจะอ้วนหรือมันจะผอมมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่จะขนาดก็ตามขนาดไหนก็ตามกายไม่ไม่รู้เรื่อง มันมีสภาพเป็นท่อนไม้แล้วสิ่งที่เป็นทุกข์คือใจใจขัิยึดกายกายจึงเป็นทุกข์ขันกายสุดโทมใจทุกข์แทนกายนั่นหาว่านั่นกายเรียกว่ากายหิใจทุกข์แทนกายกายป่วยใจทุกข์แทนกายกายจะตายใจทุกข์แทนกายใจมันตัวทุกข์กายไปเรื่อง ที่บอกกายไม่เรื่อนจะเบียบเทียบแต่ว่าคนที่ตายไปแล้วอะไม่เคยฟันไฟไฟไฟเผาเขาไม่จะร้่ น, นเขาไม่ไเจ็บคนเราเวลาที่นอนหลับสนิทจิตสงบเวลานั้นไม่สัมผั ก, กับประสาทคนนั้นเขาไม่มีความสุขไม่าาไมีความ ท, ทุกข์เขาเฉยเฉยใช่มเนี่ยเรื่องความสุขความทุกข์เป็นอยู่ที่กายที่ใจเราเพราะต้องระงับจใจการระงันความทุกข์ตัวงระงับเป็นขั้น เนยว่ากันยาวเห ย, ยียดเนยว่าย่างเหยียดไม่มีผลการตัดความทุกข์ตัดสัญญอดสิทธิระจายท่าสิทเป็นท่ารหันถ้าตัดทีห้าเป็นท่า น, นาคามียตัดที่สามเป็นพระโสดาบันิสุขทาคาเมีอันดับแรกเอาสามก่อนสามนี่ต้องได้ถ้าไม่ได้เราไม่พ้นอภัยผมสามเม่อไรมีความรู้สึกใช้ความสุกอนุสติเท่ น, นั้นไม่ยาก ไม่ต้องเป็นฌานแค่นุสติคือหนึ่งนึกว่าชีวิตไม่ต้องตายไม่รูความตายสองอจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามถ้าเป็นโสดาบัยขั้นหยาบสแตกตุงมีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าเป็นโสดาบัข ย, บยบบขั้นกลางกับข้นละเอียดมีกำหนดสิ บ, บริสุทธิ์ น่าจิตต้องการปฏิพันธ์ในอารมณ์เั่านี้เองต้องตัดทุกเล็กแต่คืงตัดทุกใหญ่ไปจะเจงตัดไม่ได้ความกุ้มเกิดขึ้นความเล่าร้อนจะมีอันดับแรกต้องตัดตัวนี้ให้ได้ก่อนสัจ ก, การยะติจิใช้กาลังย่ออมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต้วไม่ต้องไปนึกทั้ ง, งวันลืมตายมาปั๊บ ร้นนี้อาจจะตายก็ไม่ตายก็ได้ตายก็ไม่ตายคนชาป์อาจจะตายก็ได้สร้างความดีไว้ก่อนเวลานั้นจิตน้อมรับตัตถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้ความเต็นใจตั้งใจทรงสินห้าหอำ้ำยกมดสิจิตต้องการจุดเดียวคือ น, นิพพานธรรมะลมให้ตรงเวลาสงัดตื่นใหม่ๆตั้งใจแบบนี้แล้วก็ทำการงานต่อไป เราทํากายงานไปตอนนึกเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าระวังสินจะขาดอย่าให้สินขาดถ้าสินไม่ขาดทางรอดทางปไตนาคมเรามีแล้วอิจเคยหวังนิพพานมีแล้วเป็นมระโสดาบันแน่ถ้าเป็นมัสโซดาบันเมื่อไหร่ตามมิสุธิมรตันบอกหรือมักฝึกเขาก็บอกกันนะโกฝึกถ้าเป็นมัสโซดาบันที่นางใด น้อยทำใจเข้าถึงความปเป็นพระหานที่นั่งนั้นนั่นก็หมายความว่าเมื่อถึงพระโสดาบันจับยึดแอ็มจับแสยอดจบลายเพื่ออวิชชาตัดความเ ข, า ข, าข้าหาเข้าหาความเป็นพระหลานเลยอวิชชาใช้ปัญญาเล็กน้อยคือถินมีความเห็นต่างความเป็นจริงว่าโลกเป็นทุกข์มนุษย์ส่วนโลกเป็นทุกข์ในวันโลกกับวันโลก สุขจียงจะสุขไม่นานต้องกลับมาทุกใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการวิภานหันไปมองดูโลภะความโลภโทสะความโกโรธโมหะความหลง ท, ทั้งสามรายการมีไว้เพื่อคนมีกิเลสเราต้องการวิพานแล้วไม่ครบรอบถ้ายังไม่ตายก็ธรรมาให้เป็นสัมมาสีวะเขาไม่ได้ไปรลบถ้าจิตใจสงบในอารมณ์ดีมันจะเข้าถึงสังขารเปรียห์่ า, าในอารมเฉยความเบร่ยงเบนเกิดขึ้น ไม่ใช่นิพิทานยายไม่เบื่อตอนเบื่อแปรงมพัดนาคามีมาพิถาและโสจะสอน ส, ส, สองอย่างอนาคามีและกัน น, นะแล้วก็อรหันตอนเบื่อแปรลมพัดนาคามีตอนนี้ไม่เบื่อเมื่อเข้าใจแล้วนั่นมันจะเฉยหมดเป็นสิ่งที่ควรจะรักมาก่อนมันก็เฉยเฉยไม่เกลียดสิ่งที่เคยอยากได้มาก่อนมันก็เฉยอ้วนมากก็เฉยพร้อมมากก็เฉยห้อยใช่ไห กินมากก็เฉยกินน้อยไม่เฉยกินน้อยอกินกะ็เฉยนะเราวางทุกอย่างทีกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมันกิดเป็นศขอย่างเดียวยอมรับนับถือก็จราดาแต่เวทนาร่างกายมีนะทุกเวลามีนะไม่ใช่มันมีแต่ทุกเวทนาีมื่ใจเป็นศขใจไม่มีตัวทุกเร า, านัน้นยนาโยมของวรบริษัทนะหมดเวลาพอดี ตอนนี้ไปวรนใดยาจนไหนก็ตัง้งใจสมาทานถึงมี่มาทานนีรมารทาน